อ e ันธรรมยังปฏิมาปุถธวาทาปาทังอนามะตยอันนาธานิสกเวหามันตยาณิวุกขอนิสุทธรรมายมาที่เราขอเดือนสัมทังหลายว่าไวยาธรรมาสังปาระ มีความเสื่อยเป็นธรรมดาอาปัพมาเจนะสัมปาเจตาอ่านพระลายลงคำฝ่าไม่ประมาทให้ถึงชอบเิดชายัตตาปัสสสะปชิมาวาจาที่เป็นราวาจาในครั้งสุดท้ายของพระทาสกุ